ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทร์โรประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีคณะเทศ มาเรียนครูสมาธิทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายในอันดับแรกของการจะมาศึกษาสมาธิเราก็ควรจะต้องรู้ว่าความประสงค์ของการทำสมาธินั่นคืออะไรนี่เป็นประการสำคัญ เพราะว่าไม่ว่าจะทำงานทำการอะไรทุกอย่างจําเป็นที่จะต้องมีจุดหมายปลายทางหรือเรียกว่าจุดประสงค์และเมื่อเราได้จุดประสงค์แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้จุดประสงค์นั้นสำเร็จขึ้นท่านทั้งหลายได้สละเวลาที่จะมาเรียน ครูสมาธิกันนั้นถือว่าได้มาถูกทางแล้วคำใช้ว่าถูกทางนั้นก็หมายความว่าเรามีจุดประสงค์ของการทําสมาธิและเราก็มีระบบการที่เราจะเรียนสมาธิ น, นั้นเป็นขั้นตอนต่อไปจุดประสงค์ของการทําสมาธินั้น ก็คือพลังจิตพลังจิตมีความหมายอย่างไรพลังจิตนั้นมีความหมายมากเพราะว่าเมื่อเราสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วนั้นพลังจิตนั้นจะรวมทั้งบุญวาสนาบารมีที่จะไปรวมตัวกันอยู่ที่พลังจิตและพลังจิตนั้นก็จะมีการเกิดขึ้น หรือว่าสร้างขึ้นผลิตขึ้นได้ทางเดียวเท่านั้นก็คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิพลังจิตถึงจะเกิดขึ้นเช่นเดียว ก, กันกับเรารับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้นเราก็รับประทานได้ทางเดียวคือทางปากของเราเราจะใส่จมูกหรือเราจะใส่หูหรือเราจะใส่ทางอื่น ย่อมทำไม่ได้ทำได้ทางเดียวก็คือการรับประทานเข้าไปในทางปากหมายความว่าเมื่อรับประทานไปในทางปากแล้วก็ถือว่าถูกทางไม่ผิดเรียกว่าถูกต้องถ้าหากว่าไม่ใช่ทางปากทางอื่นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่ เราทำสมาธิก็เพื่อผลิตพลังจิตนั่นก็คือเป็นการที่ถูกต้องแต่ว่าการที่จะถูกต้องได้นั้นก็ต้องจำเป็นต้องอาศัยระบบที่เรากระทำขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาให้ถูกต้องเหมือน ก, นกันกับอาหารที่เขาจัดขึ้นมา เมื่อเขาจัดขึ้นมาแล้วถูกต้องอาหารนั่นก็พร้อมไปด้วยโภชนาการคือมีทั้งวิตามินโปรตีนที่จะบารุงเลี้ยงร่างกายของคนให้ใหญ่โตขึ้นมาได้นั่นเขาได้ปรับปรุงเรียกว่าปรับปรุงโภชนาการที่ถูกต้องร่างกายของคนเราก็เติบโตขึ้นมามีประสิทธิภาพมีทั้งกายมีทั้งใจที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับเราพากันมาเรียนครูสมาธิครูสมาธินั่นก็จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าการทำสมาธิจุดมุ่งหมายคือการสร้างพลังจิตหรือสะสมพลังจิตพลังจิตนั่นเมื่อสะสมมากขึ้นแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์มหาศาลแก่มวลมนุษยชาติ เพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตนั้นสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้การที่เราควบคุมจิตใจของเราไม่ได้นั้นมันเป็นอันตรายการควบคุมจิตใจของเราได้นั้นมันก็เรียกว่าพ้นขีดอันตรายเช่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น มันจะเป็นความขัดแยง้งที่ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนถ้าหากว่ามีพลังจิตควบคุมจิตใจได้แล้วความขัดแย้งเหล่านั้นก็จะลดระดับลงมาพ้นขีดอันตรายพ้นขีดอันตรายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลก ตีนี้เมื่อพลังจิตไม่เพียงพอในเมื่อเราไม่สามารถจะทำสมาธิแล้วก็พลังจิตมีไม่เพียงพอความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มากเท่าไรเพียงแค่เท่าหัวไม่ขิดไฟมันก็จะขยายตัวออกไปเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อ ประเทศชาติเป็นอันตรายต่อโลกเพราะฉะนั้นสถาบันพลังจิตตานุภาพที่ได้มีสมาธิคือครูสมาธินี่เป็นหลักภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะให้ท่านทั้งหลาย พยายามสะสมพลังจิตนี้ให้เพียงพอเราพากันศึกษาในระยะเวลาหกเดือนก็ไม่ได้มากเกินไปถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงแล้วสิบหกเดือนนั้นเป็นเวลาอันสั้นมากเพราะว่าการที่เราจะมาเรียนสมาธิจนกระทั่งเราสามารถ ไปแนะนำคนอื่นได้นั้นแต่ก่อนไลมาก็ยากนัดคนที่จะไปเรียนเป็นครูสอนสมาธิต้องใช้เวลาสิบปียี่สิบปีกว่าแต่ที่จะได้เป็นครูมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ว่าภายใต้สถาบันพลังจิตสานุภาพนั้นได้ย่นระยะเวลาสิบปียี่สิบปี มาเหลือแค่เพียงหกเดือนท่านทั้งหลายการที่ย่นเวลามานั้นย่อมทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์มากทำไมถึงย่นขึ้นมาได้ก็เพราะว่าการที่เรามีสมาธิตามระบบระบบนี้ก็หมายความว่าสามารถที่จะสร้างพลังจิตได้ ในเวลาหกเดือนเราก็สามารถจะมีสมาธิได้ประมาณร้อยชั่วโมงอย่างนี้เมื่อเราได้สมาธิประมาณร้อยชั่วโมงก็เท่ากันกับว่าเราได้สร้างพลังจิตของเราขึ้นมาได้อย่างพอสมควรทีเดียวและเมื่อเราสามารถเรียนจบได้แล้วนั่น เราก็จะได้ประโยชน์ที่เราเรียนนั้นมากมายไกลกองก่อนแต่ที่จะมาเรียนนั่นท่านทั้งหลายคำถามย่อมหายากในเรื่องของการทำสมาธิแต่พอที่ท่านทั้งหลายมาเรียนครูสมาธิเทกันแล้วเนี่ยคำถามจะเกิดขึ้นเยอะแยะเสียเดียวและคำถามเหล่านั้น จะเป็นคำถามที่ทำให้ท่านทั้งหลายเกิดสติปัญญาขึ้นมาในตัวเองเสร็จเราท่านทั้งหลายเหมือนกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่ว่ามันเป็นของดีหรือเรียกว่าอาหารมีรสดีจะเป็นอาหารอะไรก็ตามมีรสดีแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปรับประทานรสดีนั้นมันก็เพียงแต่เรารู้ แต่ว่ามันไม่ได้ประสบของจริงในเมื่อเรารู้ว่าอาหารนั้นเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารดีแล้วเราก็ได้รับประทานรับประทานเข้าไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอ้โหอาหารนั้นมีรสดีแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันกับการที่ ท่านทั้งหลายมาเรียนสมาธิกันภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพท่านทั้งหลายการเรียนสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพนั้นมันก็มีอยู่ทั้งสองระบบคือระบบหนึ่งก็คือการ เ, าเรียนทางภาคตริตีอีกระบบหนึ่งก็คือการเรียนในการปฏิบัติ การเรียนในทางภาคทฤษฎีก็มีครูบาอาจารย์มาแนะนําสั่งสอนใหเ้เราก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์เหล่านั้นเรียวกว่าเป็นทฤษฎีก็หมายความว่า เ, เรารู้จักแผนที่รู้จักขั้นตอนรู้จักระบบะสําหรับจิตที่จะเดินไปอย่างไรอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ และในเมื่อเรารู้จากวิธีนั่นแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติคือหมายความว่าเดินจงกรมสามสิบนาทีนั่งสมาธิสามสิบนาทีในแต่ละครั้งในส่วนนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติเมื่อได้ทาเมื่อได้ทำทั้งสองระบบคือได้ทั้งทฤษฎีและได้ทั้งการปฏิบัติเราก็เท่ากันกับว่าเราได้รู้ว่า รสอาหารอย่างนั้นมันอร่อยมากและเราก็ได้รับประทานเข้าไปเราก็จะรู้ว่ารสนั้นเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีสมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นแก่สั้นทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานอะไรก็ตามเมื่อมาทําสมาธิถึงร้อยชั่วโมองแล้วจะต้องผ่านชานเหล่านั้น ก็จะต้องเกิดขึ้นสมาธิเหล่านั้นก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความพยายามหรือความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องมีในตัวของเราทุกคนเพราะว่าการที่จะมาเรียนสมาธินั้นมันมีอุปสรรค ถ้าหากว่าไปทำงานอย่างอื่นๆไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไรแต่การจะมาเรียนสมาธินั่นมันชอบมีอุปสรรคอุปสรรคต่างๆมันชอบเข้ามาขัดขวางเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราขาดความอดทนถ้าหากว่าเราขาดความเพียรถ้าหากว่าเราขาดความอุตสาหความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ เราเรียนไม่สาเร็จม่ก็เท่ากันกับว่าเรายังไม่ได้พบของจริงเหมือนกันกับเราทำงานต่างๆถ้าหากว่าทำไปครึ่งกลางๆแล้วก็หยุดซะงานมันก็ไม่สาเร็จเมื่อไม่สาเร็จมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นจะทำอะไรมันก็จะต้องทำให้สาเร็จอยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ความต่อสู้เพราะฉะนั้น การที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันมาพยายามที่จะศึกษาสมาธินั้นจึงเป็นการศึกษาที่ถูกต้องที่สุดทำไมถึงถูกต้องเพราะว่าคนเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอันนี้เราพูดกันแต่ว่า การที่เราแก่เราตายนั่นมันตายแต่ร่างกายใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่สร้างสมาธิเท่ากับว่าสร้างบุญขนานใหญ่ให้แก่ตัวของเราบุญขนานใหญ่ในเมื่อเรียนจบแล้วเขาเรียกว่าได้บุญขนานใหญ่ขนานนี้ก็จะเป็นเสเบียงหรือเรียกว่าเป็นบุญ ที่จะติดตนตามตัวเราไปพลังจิตนั่นเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วจะฝังติดอยู่ในใจของเราไปตลอดไม่ว่าชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าพูดได้ว่าในพลังจิตที่เราสร้างขึ้นนั้นมีทั้งบุญมีทั้งวาสนามีทั้งบารมีเพียบพร้อมแล้วก็พลังจิตนั่นจะไม่สูญสลายตัว ฝังสนิทอยู่ในจิตขุงท่านตลอดไปดังนั้นจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจพยายามจะมาเรียนนั้นขอให้ประสบความสําเร็จหลวงพ่อเองนั้นก็พยายามที่จะสอนฝรั่งอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็จะมีการเปิดปรถมมณิเทศในเดือนกันยานี้ในทั่วๆไปมีทั้งหมด เจ็ดสาขาด้วยกันแล้วก็จะได้ให้เขาเรียนสมาธิเช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายที่กําลังจะเรียนกันอยู่ในเวลานี้ฝรั่งที่แคนาดาก็เรียนเช่นเดียวกันเรียนมาตั้งแต่ยี่สิบคนจนกระทั่งมาเป็นหลายร้อยคนเป็นถึงพันคนแล้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ท่านได้เดินมาในหุทนทางได้ถูกแล้วก็พยายามที่จะทำให้สำเร็จขออวยพรเป็นครั้งที่สองและที่สามให้ท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรนนะสุขภาละอรคยาปฏิภาชนะสารสมบัติพิพัฒนามงคลทุกประการเทิด